ตั้งสาทุชนมุทตบริษัททั้หลายสําหรับวันนี้ให้โปรดตั้งใจรับฟังในกายานุสติกายะตานุสติกรรมฐานคําว่ากายะตานุสติกรรมฐานนี้แปลว่านึกถึงกายเป็นอารมณ์เมื่อการนึกถึงกายนี้ความจริงองค์สมเด็จโตสัมมาสัมพุทธเจ้า สรงแนะนาให้นึกถึงอาการัองสามสิบสองระการได้แก่ผมขนเล็บปันหนังเนือเป็นต้นแต่ถ้าหากว่าถ้าเราจะพิจารณากันตามนั้นจริงๆบันดาท่านพุทธบริสัทธ์ชายหญิงเก็นว่าจะช้าเกินไปตอนนี้พ่ออะไรกรพบูว่าอาการสามสิบสองมีอะไรบ้าง มีผมมีขนมีเล็บมีฟันหนึ่งมีหนังมีเนื้อมีกระดูกมีตับมีไตมีไส้มีปอดแต่หันใหม่หันเก่าจะรับปัสสาวะถ้าเรานั่งไล่เบี้ยกันแบบนั้นผลจะเกิดน้อยเต็มทีตอนนี้เพราะอะไรก็เวลาที่จะนั่งไล่กันมันยากมันเสียเวลาเปล่าเราก็รวกรัต เอาตามคำแนะนำเขาอง ส, สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแนะนำบอกว่าร่างกายนี้มันสกปรกมันมีสภาพไม่สะอาดลองนั่งนึกดูที่บรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> ความจริงสิ่งที่เราสนใจไม่มีอะไรเกินไปกว่าร่างกาย ร่างกายเป็นสิ่งเรารักมากแลรักกว่าทุกอย่างเครื่องประดับในบ้านทั้งหมดที่เราคิดว่าสวยแต่เราก็รักไม่เท่าร่างกายของเรา <c oughs> ผิวจะขาวผิวจะดำผิวจะเหลืองผิวจะเขียวยังไงก็ตามเราก็ยังปลนเปลือยร่างกายของเรายิ่งกว่าปลนเปลือยสสารวัตถุทั้งหลายเหล่าอื่น เป็นอันว่าร่างกายเป็นที่รักการักร่างกายเขาเรามากที่รักก็คงคิดว่ามันจะดีแล้วนี้นอกจะร่างกายเขาเรานี้แล้วก็ย่องไปรักร่างกายเขาบางคนอื่นเขาเอาอีกความรักในร่างกายเขาบุงคนอื่นนี่เป็นพิษเป็นภัยมากบางทีถึงกับฆ่ากันตายก็มีบางทีถึงแต่กับความสามคัคคีซึ่งกันและกันก็มี แต่ความรักรักอย่างปกติมีขึ้นไม่เป็นพิษเป็นภยัยถ้ามีความรักประถนาในร่างกายึือมีขึ้นมาเมื่อไรเมื่อนั้นแหละบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพิษภัยใหญ่มันปรากฏทันทีทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าอยากเจนได้กายของคนอื่นมาประครับประคองทั้งก็เพราะว่าเราคิดว่ามันสวยนี่ เขาสวยเราก็ชอบดีไม่ดีบางทีผิวก็ไม่สวยสดทรงไม่ดีแต่ยิ้มดีๆเราก็ชอบบางคราวไม่ยิ้มแต่ว่าพูดเป็นที่ถูกใจเราก็ชอบและบางรายไม่อย่างนั้นแค่เขาให้กําลังอะไรสักนิดหน่อยเป็นของกําลังก็ชอบชอบถึงกับการลัวหลงไหลใฝ่ฝันทํำลายความดีเขาตนเองก็มีมาก ที่เป็นอย่างนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าว่าเพราะอาศัยความรู้ไม่จริงคาว่ารู้ไม่จริงก็เพราะอะไรเพราะไอ้ ก, การสิ่งที่เราต้องการเราต้องการความมั่นคงเราต้องการส่งความทรงตัวเราต้องการคนสวยเราก็นึกว่าจะสวยตลอดกาลตลอ ด, ด, ลอดสมัย ความนิคิดว่าคนจะแก่ลงไปร่างกายจะุดโทรมลงไปไม่มีสมหับเราในเวลานั้นความรู้สึกมันต้องเกยวการอย่างเดียวคิดว่าจะทรงอยู่ในสภาพนั้นตลอดเวลาในความดีความนิ่มนวลการเอ า, อเอาใจการอาวันล้อมในความอ่อนหวา น, นจริยาหรือวาจาคนดี อาการอย่างนี้เราก็คิดอีกท่านแหละว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดการตลอดสมัยแล้วความจริงเป็นยังไงบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเอาหาความจริงกันคนที่เวลาจะแต่งงานกันในบรรดาท่านพุทธบริษัทชอบจริงๆเลือกจริงๆคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่สวยคนนั้นก็ไม่ทีเป็นที่ไม่ชอบใจ เลือกแล้วเลย อ, ก, อกเลือกจงชอบใจผู้ครองทุกผู้ครองเท่ยวแก่แล้วทุกไรนะความจริงเ้าหนุ่มเขาสาวมาก่อนดีไม่ดีสวดทรงหน้าตาเขา อ, อาจจะน่ารักจริว่าหน้าตาของเราสวดทรงของเราเป็นไหนไหนหรือคนที่เรารักเป็นไหนไหนแต่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นมาผ่านวัยแจกความเป็นหนุ่มเป็นสาวไปแล้วไปนั่งมองดูทีเ้อะ ว, ว่ามันน่ารักตรงไหนบ้าง มีบ้างไหมว่ามีอะไรเป็นปัจจัยเป็นเครื่องน่ารักไม่มีเห็นก็ามาไรเบือนหนีนเมื่อ น, นั้นนี่ก็เรามานั่งลองคิดดูว่าคนที่เราจะรักบ้างละ่ะเขาจะเป็นอย่างนั้นไหม <c oughs> ดูตัวอย่างพระฤวัตที่อายุเพงเจ็ดปี เมื่อเวลาจะแต่งงานนี้ก็ปรากฏว่ายาิของเจ้าสาวมีอายุร้อยี่สิบปีมารถตำาน้ำสั่งให้ผ่อนาขอเจ้าท้องสองจงครองกันให้มีความสุขอยู่กันจนแก่จนเท่าถือไม่เท้ายอดทองขอท่านเจ้าท้องสองยังมีความเจริญรุ่งเรืองคู่กันตลอดการตลอดสมัยพระวัดมองหน้าไป ถามว่าใครคนไหนเป็นญาติู้ใหญ่ท่านบนนี้ที่เป็นคนมีอายุยืนมีความสุขทำตระกูลให้ชุ่มชืน่นเขาก็ชี้ไปที่คนแก่ผมหงอกฟันหลอฟันหลุดหมดหนังเหี่ยวหน้ายน่นหนังตกกระละหลังคอมลงมาถ้ามองดูกันจริงๆก็เหมือนผีดิบเดินได้พระเรวัดเป็นเด็ก ยังไม่เป็นผู้ใหญ่แต่ถ้าว่ากำลังใจของพรรวัดแม้จะเป็นเด็กอายุเพียงเจ็ดปีก็ยังใช้ปัญญาของตอนนี้ให้เป็นประโยชน์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดให้คำแนะนำว่าจงคร่ควรเสก่อนแล้วจึงทำดีกว่าที่ไม่ยกกับพระมารีมาก็ออยังจะขัดใจคนฟัง ฟังภาษาไทยกำลังสมัตวายเอาภาษาบาลีมาแย่ให้เขาอีกแล้วเป็นอันวาดองค์สมเด็จพระมัณฑีตแก้วทรงแนะนำบอกว่าจงใขคร้ครวญเสก่อนแล้วจึงทรมพระเรวัดเป็นเหล็กความจริงยังไม่พบพระพุทธเจ้ายังไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าเพราะแม่เป็นคนกี้กันแต่ก็ท่านก็มีปัญญาเช่นนี้เหมือนกันคร่ครวญดู ว่านี่ราติผู้ใหญ่ที่ทุกคนทั้งหลายพากันให้การสนับส น, นุนว่าท่านเป็นคนดีมีบุญบารมีอายุร้อยี่สิบปีมีสภาพเหมือนกับผีตายแทรกแล้วเมือ่อผีเด็บเดินได้ท่านการตัดสินใจถามชาวบ้านว่าต่อไปคู่ครองของฉันจะมีสภาพอย่างนี้ไหม มันดาญาติผู้ใหญ่ท่านก็บอกบอกว่าเป็นอย่างนี้ ล, ลูกรักเพราะว่าถ้าอายุทังปานนี้ก็เป็นมาอย่างนี้เหมือนกันท่านก็ม่คิดในใจว่าโอ๋หนอร่างกายของคนนี้มีสภาพเป็นอย่างนี้น่าไรหนอที่เขาคิดจะว่าเปรีความดีที่หวังจะคลองกันให้มีความสุข ความสวยสดงดงามท่องคลายตัวไปทีละน้อยละน้อยก็อาศัยาการผ่านไวัเคลื่อนไปเวลาการผ่านไปเมื่ อ, อไหรเพียงเท่านใดก็ตามทีชีวิตนี้ก็สุดส้งลงไปทุกวันไม่เอาเราเราขอเลิกกันแยกขอหนีการแต่งงานแต่งแล้วก็แล้วกันไปเราไม่อยู่เป็นคู่ครองสิก็หมดเรื่องในที่สุดพระรวัดท่านก็นตัดสินใจหนีบทแล้วก็เข้าปลาไป ตามที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทราบเรื่องอยู่แล้วเป็นอนุว่าปริวัตรก็เข้าถึงธรรมะขออองสมเด็จพระบัณฑแก้วภายในบรรษาเดียวยังไม่เต็มบรรษาได้ท่านกัลโละมลุอ ล, ลาสผลเป็นปริสัมพิทายา น, นี่การพิจารณาร่างกายในกายกระตานุสติกรรมฐาน กรรมาฐานสิกขอนี้ถือว่าเป็นข้อที่มีความสำคัญที่สุดถึงกับบรรดาพระราหัตท้งหลายพากัรกล่าวว่าถ้าบคุคคลใดยังไม่มีความเข้าใจในกายยกระตานุสติกรรมาฐานยังมีความลหลงไหลเมาบันยในกายในร่างกายของตัวเองก็ดีร่างกายของบุคคลเองก็ดี ท่านผู้นี้จะเป็นพระเรียเจา้าเห็สดไม่ได้เออจะเป็นนาคามียรละหันไม่ได้ถ้าจะเป็นได้ก็เพียงแค่ปโสดดากับสกิทาคามีแล้วก็หันมามองอีกทีว่าพระเรวัตท่านมองแบบไหนในความจริงพระเรวัตท่านมองแต่เพียงผิวๆในขั้นต้นเห็นว่าคนนี้จะต้องแก่ไปทีล ะ, ละน้อยละน้อยนะที่สุดก็ฟันหล่อ ผมขาวหนังตกละหลังโกงเหยียวยนในนามของคนแต่ว่าเหมือนกับผีนี่เราก็มองดูให้ลึกลงไปทีเพราะเวลานี้เรารับคําสอนของค์สมเด็จพระชินทร์สีแล้วองค์สมเด็จพระบัทีบแก้วกล่าวว่าร่างกายของเราไม่เป็นแท่งทิพมันเป็นโครงข้างในสิ่งที่เราจะเห็นว่าร่างกายมันดีอยู่มีอยู่นี้เดียว นั่นก็คือผิวกระหนังกําพร้าบางจ้อยแต่ว่าเทียบส่วนกับร่างกายทั้งหมดก็รู้สึกว่าหนังกําพร้านี่ไม่ได้หนึ่งในร้อยเขจะโนนสิ่งของทั้งหมดแต่ว่าเจ้าหนังกําพร้าที่ปลายกดว่าเราคิดว่ามันสวยสดงดงามติดส้อยห้อยตามสิ่งกันอะกันก็อาศัยติดพันในหนังกําพร้าไอ้เจ้าหนังนี่ไม่ชามันก็สกปรก <c oughs> ถ้าไม่เราชำระสะสางไม่อาบน้ำไม่อาบท่าชำระร่างกายป็ะเดี๋ยวก็ทนไม่ไหวเพียงเจ็ดวันเราเองเรายังังเกียจร่างกายแล้วก็ชาวบ้านที่ไหนใครเขาจะมารักเนื้อส่วนภายในหนังกาพร้าเข้าไปท้เลอกหนังเส้นแล้วคนยังงามระดับไหนก็ตามเลยหาความงามไม่ได้ นี่ย่เห็นว่าอารมณ์ใจของเรามันติดความดีติดความงามอยู่นิดเดียวที่หนังแต่หนังจริงๆก็ไม่ได้งามตามที่เราคิดองสมเด็จพระธรรมสัมพุทธเ้ตล้วงเข้าไปในหนังลอกหนังออกมาแล้วเหนือแต่เนือ น, นั่งคิดดูทีแล้วว่าน่าดูหน้าชมไหมอะไรตรงไหนมันน่ารักมั่งหนังไม่มี ตอนนี้สิเราจะเป็นผู้รักกู่มั่นกันเนะี่ยเปิดแน่อยู่ไม่ได้ <c oughs> ยังก่อนบางทีอาจจะทนไหวพยายามทนถ้าจะรักก็ต้องพยายามรักแลตอนนี้ถ้าเลอกเอาเราทลกเลื่อไปทีคราวนี้เหลือแต่โครงกระดูกเส้นเอ็นรัดริงข้างในจากคนทั้งหลายมีตับไตไส้ปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยทหารใหม่าหายเก่าเล่กันรกรลุงรงัง สภาพภายในเต็มไปด้วยความสกรปรกเหมือนกระรงช่างกลหรือว่ารถยน์ที่มีความสวยภายนอกแปลว่าพอเปิดกระปกโปรงเครื่องมันแล้วดูไม่ได้เลยลงนังไม่น่าจะดูตรงไหนแต่ความจริงวัตถุประเภทนั้นมันยั้งเซอายกว่าร่างกายของเราตรงเยอะนี่ในห้องเครื่องของรถยนต์ได้จะเราไปนั่งไปนอนไปประทับประคองเห็นจะไม่ไหว มองไปตรงไหนมันก็สกรปรกจับตรงนั่นทีจับตรงนี้นิดจับตรงนั่นหน่อยเราก็ต้องมาล้างมือร่างมือก็เห็นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันติดมือมามันเป็นของสกรปรกแต่ความจริงของสกรปรกขครองเชื่องยนมันเป็นวัตถุมันเป็นโลหะย่างสกรปรกน้อยกว่าร่างกายภายในของเรามากฉะนั้นองค์สมเด็จว่าผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงแนะ น, บนาบรรดาท่านพุทธบริษัท ว่าหากว่าถ้าจะปฏิบัติให้เข้าถึงที่สุดของความทุกข์จงมองดูกายให้เห็นตามความเป็นจริง <c oughs> ว่ากายของชายหรือว่ากายของหญิงเนี่ยมันสกรปรกหรือว่ามันสะอาดนึกในใจบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าคานด้วยกำลังใจที่เต็มปฏิความโงภแต่ก็ทานลงตัวว่าเป็นผู้ฉลาด มีตาดูดูให้ถ่วมีหูฟังฟังให้ดีมีสติปัญญานี้ใช้ปัญญาให้เกิดประโยชน์ว่าสิ่งใดสิ่งคุณสิ่งใดเป็นโทษสียงใดสกป ร, รกสียงใดสะอาดใช้ปัญญาให้มันเกิดประโยชน์สมควรกับที่เราสร้างมันมาถ้าใช้ปัญญาจริงๆท่านพุทธบริษัทชายหญิง ของทุกอย่างในร่างกายถ้าระยะเปรียบเทียบกันไปก็เหมือนกับถ่ายกร ถ, ถุงถ้าคนสวยก็เหมือนกับถุงผ้าแปรที่นำอุจาระและปัสสาวะใส่เต็มแต่เย็บไว้ทางขง้างล่างและข้างบนเย็บปิดสกัดเขไว้ทำกำลังใจให้มีความรู้สึก ว่าโอ๋หนอร่างกายนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับไถ่ที่ก็ใส่โอชาและรับไปสวรรค์ะไรของเน่า <c oughs> เราจะไปประคับปรบคองมันเพื่ออะไรได้ถุงและห่อทั้งหลายเหล่านั้นที่สีภายนอกสวยเราไม่เห็นเราไม่รู้ว่าภายในสกปรกเขาว่าให้เราเป็นของรางวัลแล้วก็พร้อมเต็มใจที่จะรับแต่ว่าทุกสกปรกใครบ้างแหละจะเต็มใจ ท, ที่จะเข้าไปจับมัน มีบ้างไหมนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อเวลาที่เห็นกายในกายหรือกายของเราก็จงพิจารณากายเราตามความเป็นจริงว่ากายของเรนี้มันดีจริงมันสะอาดหรือมันสกปรกเพียงใดแต่ว่ารู้สกปรกแล้วก็จงพิจารณากายของบุคคลอื่นไ้ด้วยช่วยกันคิดตามความเป็นจริงว่าในเมื่อกายของเราสกปรก กายของเราบริสสะอาจทุสกภพกายของเราสร้างโดยอะไรกายของชาบ้านสร้างโดยอะไรเป็นอันว่ากายของเราสร้างด้วยธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟและภายในเหมือนกับเครื่องจกักรกลคอยสร้างเสริมปนเปือให้ร่างกายภายนอกสองตัวลธาตุสี่ที่มีในกายของเรานี้มาสะอาดทุสกภพ เมื่อมันเป็นร่างกายของเราเป็นเช่นใดร่างกายของชวองาวบ้านก็ต้องเป็นเช่นนั้นนี่เราคิดกันแบบที่เรียก ว, ว่าคิดกันแบบพวกโง่สักนิดคือไม่เอาจิตไปตั้งไวในลมอื่นใดที่จะนาหาความจริงตามสภาพของร่างกายเพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็เชื่อว่ากาลังใจของบรรดาต่าพุทธบริษัทก็จะเห็นเวลามันน้อย การสอนกันแบบนี้ไม่จะยกใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทให้เห็นเป็นด้วย <c oughs> ท่านจะเห็นหรือไม่เห็นมันอยู่ที่ปัญญาของท่านเพราะว่าของมันเห็นอยู่แล้วในการเดียวสมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงกล่าวว่าชากลายสุกปรกแต่ว่ากลายนีย่ยาสกปรกจริงหรือไม่จริงอขอมรนดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิงทั้งหมด จมพายกันนั่งคิดไม่สิ่งที่มันหลั่งไหลมาจากร่างกายคืออุจจาระปัสสาวะสะอาดสบหรกน้ำที่เราจะดื่มเลือกน้ำที่สะอาดที่สุดอาหารที่จะบริโภคเลือกอาหารที่สะอาดที่สุดรสอร่อยที่สุดดีที่สุดแต่เพราะน้ำที่ต้นร่างกายไม่ตรงการแน้อการอาหารที่ร่างกายไม่ตรงการขับออกมา เราเห็นว่าสะอาดและสกปรกเท่านี้พอแล้วนะน้ำลายก็เราอยู่ในปากเราอมได้กลืนได้บ้วนลงมาเมื่อไรเราก็ลองเกียดมันนั้น <c oughs> เป็นอันว่าพูดกันไว้เท่านี้ให้มันดาธรรมพุทธบริษัทเห็นว่าร่างกายนี้มันสกปรกใช้กองนี้กองเดียวดีไหมเอาเสีถึงนิพานเลย ในเมื่อมันสกปรกเราก็รังเกยียจถ้ารังเกยียจอย่างเดียวมันยังต้องเกิดได้เกิดเมื่อไรก็พบร่างกายที่สกปรกแบบนี้เป็นอันว่าเราก็จะโดนดีแบบที่โบราณท่านว่าเกลียดออจาระโอจาระมันตามในเมื่อเราเกลียดมันแล้วประกาศตนตนเป็นศัตรูกับมันแล้วก็ทำลายมันแท้สิ หมายความขึ้นเชื่อว่าร่างกายอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราอีกทํายังไงมันถึงจะไม่มีก็จับตัวร่างกายนี้มันดีแล้วนี่จับความสุขรรบขึ้นมาเป็นบรรทัดฐานให้มีความเบื่อหน่ายในร่างกายให้มันเบื่อจริงๆอย่าเบื่อๆอยากๆเบื่อตามที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่าเจ้าทรงแนะนา เมื่อเพราะอะไรหนึ่งสกปรกนอกจากสกปร ก, กํมันก็เป็นทุกข์ <c oughs> ด้างกายไม่มีปัจจัยส่วนไหนที่จะสร้างความสุขจริงให้เกิดมีส่วนเดียวคือความทุกข์เท่านั้นหาความสุขไม่ได้ครนี้ต้มามันนั่งทะเลาะ ก, กันไหมว่ามันทุกยังไงทําไมมันถึงได้ทุกถ้าทุกตรงไหนเหตุไหนที่จะทุกต้องมาบอกหรือเปล่า ความจริงไม่น่าบอกท่านก็เห็อยู่แล้วนี่ความหิวเป็นสุขแล้เป็นทุกข์ปวดอุจจาระเป็นสุขแล้วเป็ทุกข์ปวดปัสสาวะเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์ร้อนเกินไปสุขและทุกข์หนาวเกินไปสุขและทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์ความกระทบกระแท้งอารมณ์ที่เราไม่พอใจมันเป็นสุขและวเป็นทุกข์ ความแก่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์การพัดแพรา่ จ, จากของรักของชอบใจเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความตายที่ เ, เข้ามาถึงเรามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นึกออกหรื อ, อยัง <c oughs> อย่างนี้ผอนึกออกไหมถ้านึกออกก็พิจนารณากันต่อไปถ้าไม่ออกก็ตามใจเหมือนกันไม่ออกก็ไม่ไม่สามารถที่ช่วยพูดให้ออกได้เรียกว่าไม่ช่วยกันแล้วช่วยไม่ไหว ถ้ายังเห็นว่ามันไม่ทุกข์ก็เกิดต่อไปถ้าเราไม่ต้องการความเกิดก็ต้องดูในมหาภติปัฏานสูตรทำใจตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าพิฆเวดูก่อนพิสุทธิ์ลายร่างกายนี่เหมือนกับโพในโคฆ่าที่ก็ฆ่าโค เขาเอาโขกเอาหนังไปวางไว้ทางหนึ่งเอาเนื้อไปวางไว้ทางหนึ่งแล้วก็ดูไปวางไว้ทางหนึ่งตับไตไส้ปอด ท, อทอน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองพี่เจร น, นาดูว่ามันสะอาดหรือสกปรกถ้ามันสกปรกอย่างนี้เราจะสนใจไปในมันเพื่ออะไรเมื่อเธอทั้งหลายเห็นกายแล้วโจนสักตกแต่ว่าเหน็นหมายความว่าเจ้าจกายนี้มันสกปรกเหมือนกับเราดูของที่สกปรก สุนักเน่าอยู่ข้างทางเลือคนตายที่นอนเน่าเหม็นกรุงอยู่เราเดินผ่านไปเห็นแล้วเราสนใจรักไหมเราไม่สนใจผ่านไปเฉยเฉยสักตะวหิห็นข้อ น, นี้มีประมาณชั้นไนร่างกายของเราก็มีสภาพเช่นนั้นทําใจว่าร่างกายของเราเห็นแล้วสักตะวหิห็นร่างกายคนอื่นเห็นแล้วก็สักตะวหิห็นไม่สนใจในร่างกาย เวลานี้จิตใจของเราต้องอาศัยร่างกายเป็นสำคัญเราก็สักแต่ว่าอาศัยมันเท่านั้นเรงนี้เพราะอะไรเพราะไม่มีความผูกพันในมันเรื่องไรจะไปผูกพันในสิ่งที่สุกรกเจนนี้ <c oughs> เป็นอันว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทําใจของเหล่านี้ไม่ติดใจในร่างกายของเราด้วยไม่ติดใจในร่างกายของบุคคลอื่นด้วย นอกจากจะไม่ติดใจแล้วก็เต็มใ จ, เ ต, มใจเต็มไปด้วยความสุขประบอกสมมตหาความดีไม่ได้ในเมื่อความสุขกระบอกสมมตไม่เกิดขึ้นแล้วในการใดในการนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายกําลังใจแล้วก็เกิดความรังเกียจถ้ารังเกียจอย่างนี้เอาอย่างนี้สุนักเนา่าเราอยากจะไปประคับประคองมันไหม ร่างกายของคนที่เน่าอยากจะรักษบประคองมันไหมเราไม่ต้องการชั้นใดเราเห็นร่างกายของเราร่างกายของพวกคนอื่นเหมือนกับสุนัขเนา่าเรารังเกียจเดินผ่านไปแล้วไม่อยากจะกลับมาชั้นใดกำลังใจของเราก็คิดไว้ขึ้นชื่อว่าร่างกายชินนี้จะไม่มีสำหรับเราอีก เราจะไม่ติดใจในทุกอย่างไม่ติดใจในร่างกายของเราจะไม่ติดใจในร่างในร่างกายเขาบกคนอื่นแล้วก็ไม่พอใจในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งหมดเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นถ้าติดใจมันเข้าก็ปรากฏว่ามันจะให้เราเกิดใหม่เราไม่เอาอีกอารมณ์ใจขมันดาแทนพุทธบริษัทก็มีคติวางเฉยต่ออาการที่มันเกิดใร่างกายแต่จิตใจ ถือว่าโลกธรรมทั้งหมดแปดเหตุการไม่ก่อใจสําหรับเราคือการมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศนินทาสัเสนุสุขทุกข์มันจะมาอย่างไงก็ช่างมันไม่สนใจมันคืนไม่หลงไหลไฟฝังก์เหตุแปดเหตการณ์มันจะเป็นบจจัยให้เราเกิดดังนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระพาเจ้าพระมุปัญญาประเสริฐแนะนําให้เราวางร่างกายแล้วก็วางเสีย ห, หมดเป็น ส, สังขารรูปปิหายยาน มันจะเป็นยังไงก็ช่างมันขึ้นชีวชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่มีความเกิดสําหรับเราอารหันต์ดาสาวกพระองค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าเวลาที่จะแนะนํากัน ก, นกนหมดแล้วตอนนี้ไปเขาสาวกพระองค์สมเด็จพระประทีฑิตเจ้าจะทรงกายให้ตรงดํารงจิตให้มันจะนั่งจะนอนจะยื น, จ ะ, นจะเดินได้ตามอธัธยาศัย นั่นพิจานณาในกายยกตาโนติกรรมฐานตามที่กล่าวมาแล้วจนถึงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นมาสมควรสม